ดีกันคนละทางคนละทางทางภาคปฏิบัติหลักธรรมวินัยดีด้วยกันพระฝรัง่งจึงมีอยู่เป็นประจำแต่เราไม่รับมากนะเราเอาแค่นั้นหละถ้าหากว่าจะรับมากก็จะมากกว่านั้นจะกลายเป็นสวนฝรั่งไปหมดเลยหัวเราะ ชาวสหรัฐองหนึ่งอังกฤษมีองหนึ่งเคนาดาองหนึ่งและเยอรมันองหนึ่งเวลานี้ดีทุกองค์มีพระฝรั่งอยู่นั้นสี่องหมายถึงปี 2,541 บางปีเช่นปี2 5 2 2นงมีพระฝรั่งถึงหองจากพระเนนทั้งหมด21สิองค์ ที่ผ่านมารู้สึกว่าพวกฝรั่งนี่เขามีกฎมีระเบียบดีจากนั้นมาก็มีพระและคราวาชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายมาขอศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในจำนวนนี้มีหลายเชื้อชาติ ด, ด้วยกันเช่นอังกฤษแคนาดา สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเยอรมันโปแลนด์สิงคโปร์ญี่ปุ่นจีนเกาหลีอินโดนีเซียมาเลเซียสีลังกา